ธรรมชาดกแผ่นที่6กลำดับที่5โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่3สิงหาคม2543มีชื่อเรื่องว่านกเกรเรียนกินเพชรในขาวปัญหามาก็ เข้าอาทิตย์เป็นวันพระที่สามแล้วเนี่ยแต่วันพระที่ผ่านมาผมก็ตุกติกติดโพระอะไรก็ไม่ทราบไม่รู้หลายเรื่องหลายอย่างก็ไม่ได้ไปชุมหมู่พวกเพื่อพลาดไ ป, ปวันพระที่สองเห็นว่าว่างวันนี้ก็มนเรียกหมู่ไปชุมการประชุมคือการ แนวทางอย่าการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งค็กิจตภาวนาเนี่นะแต่ถึงจะพูดยังไงไปก็อยู่ในแถวแนวอันเดียวกันแต่บางครั้งอาจจะมีส่วนปีกแวะปีกย่อยเป็นสิ่งที่ให้สำนึกให้นึกคิดที่หมู่พวกหมู่ที่เข้ามาใหมย่ยังไม่ รู้จักแถวแนวแห่งการปฏิบัติที่เบื้องต้นในการบวชการบวชของพวกเราเราจะต้องคิดทบทวนดูว่าการบวชของพวกเรานะเราบวชเพื่ออะไรทําไมมันต้องมีจุดหมายปลายทางมันต้องมีจุดที่พวกเราจะต้อง ก้าวเดินเรือกว่าปฏิบัติตามนั้นไม่ว่าหน้าที่การงานอะไรที่เราทำระยะสั้นหรือระยะยาวระยะสเดือนระยะเดือนหนึ่งอะไรก็ตามมันก็ต้องมีจุดมุ่งหมายแนละจุดประสงค์ไม่ใช่ว่าทํท ำ, ทำไปสักแต่ ว, ว่าทําถ้าทําอย่างนั้นถึงจะทำกี่อย่า ง, งกี่เรื่องกี่เรากี่เดือนกี่ปีก็ไม่ ไม่เป็นผลดีสำหรับผู้ทำ ว, ว่าทำแต่สักว่าทำเฉยๆผ่านไปผ่านไปอันนี้การบวชของพวกเราทุกๆ ท, ท่านผมไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากให้ได้รู้รสแห่งการเป็นพระรูรสแห่งพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่พวกเราเท่านั้นเองทําไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทำหยอกหยอแย่แย่ จากนั้นก็ทวงผลผลทําไมไม่ออกมาแต่เราไม่ได้มองเหตุว่าการกระทําของพวกเรานั้นสมเหตุสมผลหรือเปล่าอันนี้พวกเราจะต้องทบทวนทุกๆองค์ทบทวนในการกระทําคือเหตุถ้าเหตุเหมาะสมเหตุ ด, ดีแล้วผลมันก็จะต้องออกมา ตามเหตุนั้นๆอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาหนีกันไม่ออกหลักเหตุและผลเนี่ยตอนนั้นพวกเราอันดับรแรกพวกเราก็ตั้งอกตั้งใจเป็นพระแล้วก็เป็นพระป่าพระกรรมฐานด้วยแต่จุดมุ่งหวังคือบางคนบางท่านก็ยังไม่เคยบวชบวชมาเพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดา ทดแทนท่านผู้มีพระคุณหรือยังไม่เคยบวชในพระพุทธศาสนาเลยอยากจะเข้ามาบวชเป็นชีวิตหนึ่งในชีวิตที่ผ่านผมานมากเป็นผู้ชายนับถือพุทธศาสนาแล้วไม่ได้บวชมันก็ขาดอยู่เพราะนั้นอยากจะบวชศึกษาธรรมะสักช่วงระยะหนึ่งสมเดือน4เดือนหรือมากกว่านั้น ก็ตามอัตยาใส่ความเหมาะสมอันนี้พวกเราก็คงจะลักษณะอย่างที่ว่านี้แหละแต่ว่าเมื่อเข้าบวชมาแล้วอันดับแรกก็ครูบาอาจารย์หรือพระผี่เลี้ยงจะแนะนําอย่างไรจึงจะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอันนี้คือพี่เลี้ยงต้องต้องให้ต้องแนะนําเพราะฉะนั้นผมก็ให้พระที่เป็นพี่เลี้ยง รุ่นเก่าพอจะให้เทปหรือหนังสือธรรมะอันไหนควรจะให้ศึกษาพก ข, ขอให้พวกพระรุ่นพี่มาช่วยๆกันดูพระรุ่นน้องๆเพื่อจะได้ศึกษาแนวทางอันไหนสมควรจะรู้เป็นพื้นฐานก่อนไม่ใช่ว่าจะเอาธรรมะหรือข้อปฏิบัติชั้นสูงมาพูดนั่นก็ยังไปไม่ถึงเหมือนกับ เด็กเข้ามาใหม่เรียนกอไก่เราจะให้อย่างไงจึงจะรู้เป็นฐานเบื้องต้นอันนี้พวกเราต้องได้คิดกันแนะนำในเมื่อพระใหม่ก็เหมือนกันเมื่อได้เทปหรือได้หนังสือไปแล้วก็พยายามอ่านพยายามศึกษาให้เข้าใจจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติแต่ผมเอง ผมก็ไม่อยากจะแนะนําหมู่พวกเพื่อนให้อ่านหนังสือจนเกินไปแล้วก็ฟังเทปจนไม่รู้จักหยุดคือการฟังเราก็ฟังเมื่อบางโอกาสสมมุติว่าเราจะนั่งสมาธิเบื้องต้นเราก็เปิดฟังไม่ใช่ทุกครั้งเราเปิดฟังนั่งสมาธิไปด้วยพอจากนั้นก็ดับเทป เราขนั่งสมาธิต่อแล้วอ่านหนังสือก็มีโอกาสตอนกลางวันแสงสว่างมีแล้วก็ศึกษาแต่เราไม่ไม่ใช่ว่าอ่านจบให้จบเป็นเล่มเป็นเล่มไปอย่างนั้นอ่านพอรู้แนวทางแล้วก็ะจบแต่ถ้าหากว่าอยากจะให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาทั้งเทปทั้งหนังสือ ถ้าว่าแบ่งเป็นสามนะผมอยากจะให้หมู่พเพื่อนปฏิบัติหนึ่งสองเปอร์เซนให้การศึกษาและฟังเทเปหนึ่งเปอร์เซนเพราะว่าในโอกาสอย่างนี้พวกเราหาได้ยากที่เขามาบวชแล้วอยู่ในสถานที่ที่สงบสงัดและอยู่ตามลำพังพร้อมที่จะศึกษาในภาคปฏิบัติให้มากกว่าการศึกษาประยัตเพราะประยัตที่จะศึกษาตามเทปตามหนังสือนั้น เมื่อเราศึกออกไปเป็นครวาตเราก็พร้อมที่จะศึกษาได้แต่ที่จะได้ศึกษา ป, ปฏิบัติทางจิตภาวนาอย่างพวกเราอยู่ขณะนี้เดี๋ยวนี้คงจะหาได้ยากเพราะจะมีการยุ่งเหยิงวุ่นวายกับธุรการงานภายนอกมีหมู่เพื่อนฝูงผู้ที่เกี่ยวข้องธุรการงานอะไรต่างเยอะแยะยุ่งเหยิงไปหมดจวักครวาตัต หลายว่าดหลายเชิงมา ง, งั่นเถอะหลายสิ่งหลายอย่างมาลุมมาตุ้มที่จะตัดขาดเป็นเอกเทศอย่างนี้คงหาไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราปฏิบัติเนี่ยช่วงที่เราศึกษาเนี่ยผมอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนเน้นหนักในภาคปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาให้ต่อเนื่องแต่ละวัน24ชั่วโมง เราจะนั่งปฏิบัติหรือภาวนาเนี่ยจะกี่ชั่วโมงพยายามทําให้ต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นชั่วโมงกี่ชั่วโมงการดูหนังสือฟังเทปกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงเนี่ยอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนแบ่งเวลาการศึกษาทั้งประหยัดทั้งปฏิบัติ ปริยัติคือการเ ร, าเรียนศึกษาดูตำรับตำราดูแผนที่ปฏิบัติแปลว่าเดินตามแผนที่ที่เราได้ศึกษาดีแล้วได้ฟังเทปได้อ่านหนังสือเป็นที่เข้าใจนั่งสมาธิทำอย่างไรเดินจงกรมทำอย่างไรพิธีปฏิบัติ เ, ออเบื้องต้นพวกเราก็รู้แนวทางพอสมควรแล้วแล้วก็ลงมือปฏิบัติจากนั้น อมีอะไรเราก็ได้ศึกษาว่ามันเป็นยังไงในการประพฤติปฏิบัติผลมันออกมาอย่างไรและการพิจารณาอทางวิปัสสนาเป็นอย่างไรอันนี้คือผลแห่งการปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติเจ้าก่อนผลก็จะไม่เกิดมีจะเป็นแผนที่อยู่อย่างงั้นอ่ะอืมดูมีจะดูแผนที่อยู่ยางนั้นไปไม่ถึงไหนว่า ง, งั้นเถอะ วันั้นอยากจะให้หมู่ก้าวเดินในภาคปฏิบัติลงก้าวเดินเลยนั่งสมาธิเอาจริงเอาจังภาวานาจริงจังเดินอย่ากลมจริงจังพอเราได้บวชเข้ามาแล้วอย่าให้เสียเที่ยวเสียทีเราอย่าไปคิดวิตกกังวลกับทางโลกเราไม่ต้องเป็นห่วงเราไม่ต้องคิดไม่ต้องวิตกกงังวลเพราะถึงยังไง เราก็มีกฎเกณฑ์อยู่แล้วว่าจะต้องลาศึกขาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเป็นห่วงให้โงกให้เสียเวลาหน้าที่เดี๋ยวนี้เราทําอะไรวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่ให้ถามตัวเองจึงเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้ไม่ประมาทการยืนการเดินการนั่งนั่งนอนให้มีสติการมีสตินั่นแหละคือการทําความเปลี่ยน ถ้าขาดสติเมื่อไรเมื่อนั้นแปล ว, ว่าขาดความเพียรเพราะนั้นอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนอพยายามตั้งสติให้บ่อยให้สม่ำเสมอให้ต่อเนื่องเวลาสนทนาพูดคุยก็ให้มีแต่อย่าให้มันพ้ามเพื่อมากไม่ใช่ให้พ้นทางนั้นเป็นพ้นทางออกไม่ใช่ว่าเข้ามาอยู่วัดแล้ว ไม่มีทางออกมีแต่เรื่องคุยอันนั้นเป็นทางที่ไม่ถูกต้องผิดพุทธประสงค์ผิดแนวทางของครูบาอาจารย์ผิดกฎระเบียบของวัดของเราอีกต่างหาผมไม่ส่งเสริมที่จะให้ออกทางนั้นอยากจะให้หมู่เพื่อนภาวนาอยู่ตามลำพังอยู่ในสถานที่สงบเป็นเอกเทศจะได้ดูจิตดูใจของพวกเรา ขณะนี้เราคิดเรื่องอะไรอะไรที่มาเกี่ยวข้องมีสติสติในแนวความคิดพราะนั้นถ้าว่าเราสติเราดีแล้วทันในความคิดถึงเราจะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามหนีจากครูบาอาจารย์ไปอยู่ตามลําพังก็ตามอารมณ์มันจะไม่เข้ามาเหยียบย่ําทําลายจิตใจแต่ทางว่าเราไม่ทันอารมณ์แล้วใจของเราก็เมื่อมีสิ่งไหนมากระทบ จะเป็นราคะก็ดีจะเป็นโทสะก็ดีจะเป็นโมหะก็ดีความว้าหวอ้างว้างมันจะเกิดขึ้นมามันจะไม่มีทางออกตลอดไปแต่ทางว่าเราได้ฝึกหัดเราได้ดูหน้าของกิเลส ท, ที่มันมาแทรกสิงในจิตใจของเราเรารู้ไดออ้อันนี้มันมาอย่างไงทำไหมความเข้มแข็งของเราต่อสู้อยู่ตลอดเนี่ยผมว่า เป็นมันจะเป็นผลดีสำหรับพวกเราตลอดไปนะเป็นผลดีสาหรับพวกเราตลอดไปเปรพเราะนั้นอยากจะให้หมู่พเพื่อนทุกองค์ให้เร่งความภาคความเพียรบวชเข้ามาทั้งทีอย่างน้อยก็ให้จิตสงบที่เห็นว่าจิตสงบนั้นคืออะไรถ้าจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วผมเชื่อและเกิน เชื่อในปัญญาเชื่อในศรัทธาเาชื่อในความเชื่อของพวกท่านทั้งหลายนั่นนะ่ะว่าบาปบุญนรกสวัสด์มีจริงแต่เดี๋ยวนี้พวกเราทําจิตจิตของเราไม่เคยสงบจิตของเรายังแยกไม่ออกว่าร่างกายคืออะไรจิตใจคืออะไรเพราะนั้นถ้าว่ามีคนมาพูดขึ้นมาว่า ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญอย่างเนี้พวกเราก็จะเคว้งคว้างไม่มั่นใจว่าตายแล้วสูญแล้วตายแล้วเกิดอะไรกันแน่นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นก็ยิ่งห่างไกลไปอีกแต่ถ้าหากว่าพวกเราทำจิตให้สงบทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งได้แล้วนะ มันจะเชื่อมั่นในตนของเราเองถึงใครจะพูดยังไงมันก็ไม่หวั่นไหวเหมือนกับเราได้ริมรถอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคนที่ไม่เคยริมรถจะมาพูดให้เราฟังว่ารถอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อเขาเพราะเราได้ริมรถแล้วเรารีรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรวาะนั้นหลัก ทำของพระพุทธเจ้านี่ท่านจึงว่าปัจจัดตัง ร, รู้เฉพาะตนใครประพฤติปฏิบัติใครทําเรารู้เฉพาะตนถึงคนอื่นจะพูดยังไงแต่ถ้าเราไม่มีหลักถ้าเราไม่เคยทําแล้วมันเกิดความสงสัยสนเทเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้พวกเรา ปฏิบัติดูทำจิตสงบให้ได้าการที่จะทำจิตสงบให้ได้นั้นไม่มีทางอื่นมีทางเดียวคือพยายามทำให้มากเจริญให้มากแล้วก็ทำให้ต่อเนื่องอย่าให้มันขาดบักขาดตอนให้เอาจริงเอาจังว่างั้นเถอะอย่างที่ผมเคยพูดถ้าเราอดอาหารเป็นเอกเทศ เราก็ตั้งัจจะอธิษฐานว่าในขณะที่ข้าพเจ้าอดอาหารนี้ข้าพเจ้าจะให้มีสติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดไม่ให้เผลอในการก้าวเดินพอก้าวออกไปก็ให้รู้จักในการก้าวในการเดินเวลานั่งสมาธิก็ ก, กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นก็พาาิจารณาตามดูอารมณ์ของตนเอง ว่ามันคิดไปในทางไหนคิดไปทางดีและคิดไปทางชั่วอารมณ์อันไหนที่มันแทรกเข้ามาในขณะนั้นแต่อันดับแรกก็อยากจะให้มันจิตเป็นหนึ่งซะก่อนนั้นอะ่ะเป็นพื้นฐานพอสมควรที่วให้จิตสงบพอสมควรเป็นพื้นฐานไม่ใช่ว่าเกียงแต่บอกว่านักเรียนนักเรียนทั้งหมดดูกระดาน เท่านั้นยังไม่เพียงพอพอดูกระดานแป๊บเดียวมันอาจจะมองไปที่อื่นอีกก็ได้แหละต้องวาดูกระดานดูกระดานดูกระดานดูกระดานดูกระดานดูกระดานจนครูสอนเสร็จถ้าทำอย่างนั้นได้มันก็ดีแต่ถ้าหากว่าเพียงแต่นักเรียนตั้งใจเพียงคำเดียวแล้วก็ไม่เคยฝึกสมาธิเลย ไม่เคยนั่งสมาธิเลยอย่างนั้นก็จะเดินปัญญาโดยมากจะเป็นสัญญากระสังขารจะมากกว่าคือความปรุงแต่งมากกว่าแต่ทางนี้ทางนั้นก็ไม่ได้พูดทีเดียวว่าจะเป็นสัญญากระสังขารร้อยท้งร้อยพอกไม่กล้าที่จะพูดอย่างนั้นมันต้องเป็นอุปนิสัยแต่ละบุคคลถ้าว่าเป็นบุคคลคิด ป, ปัญญาที่มีบุญวานสนาเก่าแก่ สั่งสมบริมีมามากเคยฝึกหัดทางจิตตภาวนามาอย่างโศกศนเป็นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วพร้อมที่จะได้สำเร็จมรรคผลก็มไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าตั้งใจเท่านั้นก็รู้แล้วเพราะมีอุปนิสัยเก่าจากนั้นก็ภาวนานะอย่างนี้อย่างนี้ภาวณาอย่างนี้อย่างนี้ก้าวตามที่ผู้แนะนำให้เดินตามแถว แห่งการปฏิบัติการพิจารณาอันนี้เป็นไปได้แต่โดยมากที่เห็นเห็นอกเราเกิดจุดท้ายปลายแดนก็โดยมากจะเป็นทันทาพิญญาณนมากกว่าเพียงจะทำจิตให้สงบเท่านั้นก็ยังถูถ่ถยไม่ต้องพูดถึงทางวิปัสสนาแต่ถึงยังไงก็เถอะใครจะพิจารณาก็ได้ไม่มีเหตุขัดขวางและกลั่นกลางว่าไม่ควรจะพิจารณาอย่างน้น อ, อย่างนี้ไม่ได้ว่ายอย่างนั้น จะพิจารณาก็ได้แต่ผลแห่งการปฏิบัติจะรู้ด้วยตนเองว่าเมื่อเราพิจารณาไปแล้วผลออกมาอย่างไรอันนี้ตัวเองต้องรู้ทางว่าตัวเองเป็นผู้สังเกตแต่ถ้าตัวเองเป็นผู้รู้แต่ทางว่าตัวเองไม่รู้กระทั่งว่าจิตสงบคืออะไรตัวเองิๆพิจารณาคืออะไรผลออกมาอย่างไงเหตุเป็นมาอย่างไงถ้ามันโง่ถึงขนาดนั้นแล้วก็มันก็สุดวิสัยที่จะแนะนำว่าผล แห่งการปฏิบัตินั้นจะเลิศเลยถึงผู้จะบอกว่าให้ตั้งใจเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าว่าทำสมาธิสก่อนก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นเดียวกันเพราะมันยังห่างไกลที่จะตั้งตนเสี่ยแล้วแต่ถึงยังไงก็ทางว่าเขายังมีความเชื่อมีความเชื่อในปูบาอาจารย์มีความเชื่อมั่นในพระธรรมคําสั่งสอนเป็นพื้นฐานอยู่ก็จะพยายาม ปฏิบัติตามให้ให้เดินตามพื้นฐานเบื้องต้นที่ครูบาอาจารย์แนะนำํำปฏิบัติอย่างนี้เดินยโยมโคลงอย่างนี้นั่งภาวนาอย่างนี้กําหนดภาวนาอย่างนี้กําหนดเป็นจุดอย่างนี้คือให้จิตสงบเราจะพิจารณาอะไรก็ได้เราจะบริกรรมอะไรก็ได้การบริกรรมไม่มีปัญหาแต่ข้อสําคัญให้จิตเป็นหนึ่งแต่พวกเราบริกรรมพุโทโธก็ว่าพระพุทธเจ้าเป็นบรมครู เป็นศาสดาของพวกเราเป็นที่เคารพยิ่งเป็นต้นศาสดาเป็นผู้สอนพระพุทธศาสนาเราจึงเรียกพนามของพระพุทธเจ้าว่าพุทธโธพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือเราไม่กล่าวพุทธโธเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าลมหายใจออกไม่ต้องบริกรรมอะไรก็ได้ไม่ผิดที่ตรงไหนถูกต้อง แต่ให้มีสติหรือเราจะกําหนดหายใจเข้าเกิดหายใจออกดับเกิดตายเกิดตายอย่างที่หลวงปู่ล่าท่านแนะนําอันนั้นก็ไม่ไม่ผิดก็ได้หรือหายใจเข้าพุโทโธหายใจออกธรรมโมหายใจเข้าพุโทโธหายใจออกธรรมโมก็ได้ไม่ผิดข้อสําคัญให้มีสติ สรุปแล้วก็คือให้มีสติในตัวกาหนดนั้นๆในเมื่อมีสติแล้วกาหนดพื้นฐานแห่งความสงบพื้นฐานแห่งกรรมฐานแล้วใครเป็นคนรู้ว่าให้มีสติพอจิตมันสงบแล้วตอนนี้ใครเข้าว่าสงบใครเข้าวันมันตัดอารมณ์ภายนอกไม่ให้มันเป็นอารมณ์เป็นสองไม่ให้คิดในเรื่องต่างๆ เรื่องอดีตที่ผ่านมาเรื่องอนาคตจะเป็นยังไงอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงโดยมากมันจะวิ่งไปทางอดีตมากกว่าคือสัญญาเก่าเอสัญญาเมันจะเข่าไหลซับเหมือนกับน้ํำซับน้ําซึมเข้ามาสู่จิตใจแต่ถ้าว่าเราสติไม่ทันนะเอมันไปแล้วอมันไปตามสัญญาเก่าแล้วแต่ถ้าว่าเราสติของเราเข้มแข็งเป็นยังไงบังคับให้อยู่กับจุดที่เราต้องการ คือพุทโธพุทโธอารมณ์ทั้งหลายมันก็ไม่เข้ามามาหาจุดนั้นไม่ได้เพราะเรามีสติเราบังคับหรือว่ามีสติอยู่จุดนั้นอยู่แล้วอันนี้คือการบังคับจิตให้อยู่กับกรรมฐานในเมื่อจิตของเราเป็นพื้นฐานสงบพอสมควรไม่ใช่ว่าจะสงบนิ่งจนไม่มีอะไรเลยซะก่อนอย่างพิจารณาก็ไม่ถึงขนาดนั้นเตียงแต่จิตสงบเป็นหนึ่ง ใด้ค่แบเข้าขายได้แบบดูกระดานใช่ไหมเพี ย, ยงแต่ให้จิตสงบกับกรรมฐานที่เราได้กำหนดแล้วจิตใจนิ่งพอสมควรไม่มีอารมณ์เป็นอื่นจากนั้นก็นำมาพิจารณานำจิตที่มันสงบเป็นพื้นฐานมาแล้วพิจารณาทางวิปัสสนาอย่างวิปัสสนาเนี่ยพิจารณาดูร่างกายของเรานี่ยะ เกสาโลมานาขาธันตาตาโจรอาการสามสิบสองของร่างกายเนี่ยอันนี้คือหินรับปัญญาพิปนาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ได้ทั้งนั้นแหละสรุปแล้วคือตัวผู้รู้คือตัวใจของเราเนี่ยมันวอกแวกกับพยายามให้สงบในเมื่อสงบแล้ว ที่พวกเราหลงทุกวันนี้มันหลงอะไรพี่หลงสังขารหลงร่างกายของตนเองคนที่หลงร่างกายตัวเองว่าจะไม่แก่ว่าจะไม่เจ็บว่าจะไม่ตายเมื่อหลงตัวนี้แล้วเมื่อกันหลงตัวอื่นไปหลายๆแห่งหลงทรัพย์สมบัติหลงเอผู้อื่นผู้หญิงผู้ชายออะไรเป็นหลงไปหมดยศถาบรรดาศัก์อะไรหลงไปหมดแต่ถ้าว่าไม่หลงร่างกายร่างกายอันนี้มีอะไรบ้าง มีเนื้อมีหนังมีเอ็นมีกระดูกมีแต่อสุภะอสุพังเต็มไปหมดเมื่อเรารู้เท่ารู้ทันตัวนี้อยู่แล้วตัวความหลงตัตอื่นๆที่ปู่ญ่าตาทวดของความหลงทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราได้คือเราก็จะต้องแบ่งว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรความเหมาะสมในการวางตัวการเหมาะสมในความคิดในการเป็นอยู่ มันก็จะพอเหมาะพอดีพอเหมาะพอสมไม่เย่อหยิ่งจองหองไม่พองตัวจนถึงที่ว่าปล่อยวางตามสภาพตามอนิจจังทุกขังอนาัตตาไม่ยึดไม่เมกาะไม่ติดจะไปเกาะไปติดทําไมเพื่ออะไรเพราะเหล่านั้นเราได้พิจารณาแล้ว ร่างกายนี้เกิดมาจากไหนและจุดจบของร่างกายนี่คืออะไรเราพิจนาย้อนไปถึงจุดเกิดเราเคยเห็นคนแก่ไหมเราเคยเห็นคนเจ็บไหมเราเคยเห็นคนตายไหมเราเคยเห็นกระดูกคนตายไหมเราเคยไปเก็บกระดูกเขาัหมสิ่งเหล่านี้พวกเราควรจะน้อมเข้ามาหาตนเองพิจารณาตนเองมันไปตามแถวแนวอย่างนั้นแหละ ไม่เป็นอย่างอื่นไปอันนี้คือร่างกายร่างกายของทุกท่านทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นถึงจะมีหน้าที่ตำแหน่งสูงส่งร่ำรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีขนาดไหนก็เถอะก็เป็นอย่างนั้นลงเอ่ยกันอย่างนั้นเป็นกระดูกอย่างนั้นเ้นเสียจะเอาไปเข้าหงซุยหงซีก็เป็นกระดูกนอนอยู่อย่างนั้น แปลว่าเมื่อมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เล็กจนเข้ากุกก็เหมือนตัวละครออกมากระโดดเต้นแรงเต้นกามีหัวโขนเป็นเสนาเป็นพญาเป็นอะไรสุดแท้แต่เขาจะแต่งตั้งขึ้นอย่างพวกเราคนเดียวนี่ก็เป็นพระแบบพราฤือีอยู่ในป่าอยางนั้นเถอะวิชาขึ้นผลในสุดก็เก็บ เก็บการเล่นนะครจบจบฉากในลักษณะอย่างนั้นอ่ะอันนี้จิตใจของเราพิจารณาดูสิให้เห็นตามสภาพตามความเป็นจริงแล้วมันจะมีอะไรกิเลสตัวไหนที่มันจะพยองพองตัวว่าข่าในสำคัญกวอาคนอื่นข่าในเหนือว่าคนอื่นข่าีนต่ำว่าคนอื่นในความเป็นจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่บุญวาสนาบารมี ในการเป็นดูนั้นอันนั้นเราต้องวางตัวให้ถูกการะเทสะบุคคลแต่ส่วนธรรมะส่วนลึกเข้าไปแล้วอมันต้องเหมือนกันทั้งหมดเราต้องแยกให้ออกสมมุติอพระสูตรพระปรมพระวินยัยอพระวินัยพระสูตรพระปรมาภวินัยเราไม่เอาพระวินัยมาแย่งกับพระสูตร ไม่ใช่เอาพระสูตรมาตัดพระปรมัทิตย์คือปรมัทิตย์ก็คือพระปรมัทตย์พระสูตรก็คือพระสูตรพระวินัยก็คือพระวินัยเราต้องแยกให้ออกถ้าเราแยกไม่ออกยุ่งทั้งหมดพระทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยุ่งถ้าเราแยกไม่ออกถ้าเราแยกออกแล้วตามีหน้าที่อะไรหูมีหน้าที่อะไรจมูกมีหน้าที่อะไรมันคนละหน้าที่ แต่สรุปแล้วก็คือส่วนหนึ่งของกายของใจของเรานั่นแหละพระธรรมของพระพุทธเจ้าท่านว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนแต่พอมาถึงจริงๆเข้าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนทำไมคำสังสอนของพระพุทธเจ้าทำไมขัดแย้งกัน อ, อีกสิ่งเหล่านี้ ในเมื่อผู้ปฏิบัติศึกษาให้ถ่องแท้จะรู้ได้อันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนั้นคือพระสูตรอันนี้คือพระประมาติยปฏิเสธทางกิจใจอันนั้นคือพระสูตรเข ต, ต้องได้พึ่งพาอาศัยตนแลไปที่พึ่งของตนโกหกนาโถปรโรุิยาคนอื่นใครใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้ถ้าเราไม่เป็นที่พึ่งของตนแล้วนี่อันนี้คือ โฟกเราให้แยกให้ออกอันนี้เหมือนการการประพฤติปฏิบัติในส่วนลึกของจิตใจแล้วในการภาวนาแล้วในการปล่อยวางแล้วมันอยู่ในธรรมะเฉพาะตนเองแต่เมื่อเราออกไปเป็นครวาสหรือออกมาอยู่กับหมู่กับเพื่อนเราก็ต้องใช้อยู่กับสมมุติแต่เมื่อเราเข้าไปภาวนาอยู่ตามลําพังเราปฏิเสธสมมุติทั้งหมดว่าไม่ใช่ตัวตนของเรา มันไม่ใช่จริงๆเยียว่าอย่างไรแต่เมื่อเราออกมาอยู่ธรรมดาเราก็ต้องทำให้ถูกกับโลกสมมุติเขาทั้งหลายเพราะการอยู่ร่วมกันเราจะเอาในขณะที่เราภาวนามาปฏิเสธอันนั้นไม่ถูกต้องผิดผิดหลักเอาพระปรมัตนมาขัดพระสูตรเอาพระสูตรมาขัดพระวินัยมันคนระเรื่องกันเพราะนั้นพวกเราต้องแยกให้ออก อย่างคนหัวโ ง, โง่ร่างกายชังขานไม่ใช่ตัวตนของเรานะให้เด้งก็เถียงโบเวขึ้นมาถ้าไม่ใช่ตัวของแกข้าจะตบสักทีได้ไหมอันนี้มันพูดอย่างนั้นละ่ะลักษณะที่ผมพูดทั้งสามอย่างกัลักษณะเดียวกันแต่ต่างส่วนลึกแล้วใครว่าเป็นตัวตนของเราถ้าเป็นตัวตนของคุณจริงๆคุณจะให้แกให้เจ็บให้ตายได้ไหมปฏิเสธไม่ได้ตายด้วยกันทุกคน ในเมื่อปฏิเสธไม่ได้อย่างนั้นจะเป็นตัวเราได้อย่างไรมันเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนาตตาไม่ใช่ตัวตนของเราลงจบจุดนั้นแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่รู้เราจะเอาพระวินัยมาใส่พระสูตรพระสูตรใส่พระอภิธรรมไม่ได้คนเรื่องกันเพราะนั้นในภาคปฏิบัติของพวกเราในการนั่งสมาธิก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละในนั่งภาวนาส่วนตัวให้พิ ป, ปฏิเสธ ร่างกายของเราคืออะไรได้มาอย่างไรแล้วจะไปอย่างไงจุดจบของร่างกายนี้คืออะไรพิจารณาทบทวนจากนั้นพอมันเห็นทั้งต้นทั้งปลายสุดแล้วมันก็จะต้องเกิดความเบื่อมากไม่มันก็ต้องเบื่อน้อยไม่คลายมากมันก็ต้องคลายน้อยมันเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีสาระอะไรจริงๆริงพอมันตายแล้วมีแต่กระดูกแล้วทีนี้อะไร ใจของเราที่ยึดครองร่างกายน่าจะไปที่ไหนทีนี้เมื่อออกจากร่างไปแล้วมันก็เป็นนามะธรรมนามะธรรมตัวนี้แหละเป็นตัวที่ใหญ่มากพาไปก่อพบก่อชาติพาไปเกิดปฏิสนธิในสถานที่ต่างๆตาไว้อจิต ด, ดวงนั้นเป็นพระโสดาขอไปเกิดภพภูมิสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทพชั้นใดชั้นหนึ่ง ภูมิชั้นใดชั้นหนึ่งคือไม่ตกนรกเริ่มมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าว่าจิตดวงนั้นยังไม่เป็นอริยะบุคคลยังเป็นปุตติชนอยู่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแปลผันไปได้หลายอย่างเหมือนกันเพราะกรรมคือการกระทําเป็นผู้กําหนดให้พาไปถ้าตามกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะพาไปตามขั้นตอนนั้นๆไปเกิดเป็นสัตว์ที่รชาญเป็นช้างมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ไปได้ทั้งนั้นแหละ วิญญาณตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาดูแลเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากอืเพราะนั้นท่านจึงไม่ให้ประมาทเมื่อเรายังมีชีวิตยอยู่ควรจะสร้างคุณงามความดีไม่ควรจะประมาทนอนใจจนเกินไปเพราะชีวิตของเราก็ดูแล้วก็ไม่เห็นจะยืนนานสักเท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันจะขาด ส บ, บันลงตรงไหนวันใดพวกเรารับประกันไม่ได้เพราะนั้นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ก็ควรจะสร้างคุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีนะไม่เดือดร้อนตนและไม่เดือดร้อนคนอื่นตนเองก็สบายใจคนอื่นก็สบายใจสิ่งที่มันช่วยช้าเดือดร้อนคนอื่นและคนเดือดร้อนตนก็ไม่ควรจะทาแล้วก็ความขี้เกียจขี้ข้านกล้านอ่อนแอ ไฟต่ำไปทางกิเลส ก, ก็ควรจะฝืนสู้ในสิ่งที่มันไม่ดีไม่ควรจะทำในสิ่งเหล่านั้น<ม>พยายามเดินให้เป็นที่ยอมรับทั้งกฎหมายบ้านเมืองทั้งศีลและธรรมอันดีงามการอยู่ร่วมกันชีวิตของเราก็จะได้รับความร่มเย็นผ้าสุข<ม>ไปเรื่อยๆ<ม>แต่ถ้าาเราทำ เดินผิดที่ผิดทางความหายนะก็จะเข้ามาสู่พวกเราอย่างแน่นอนนะไม่ต้องสงสัยเพราะเราทำผิดคนอื่นก็เดือดร้อนตอนเองนั่นเดือดร้อนก่อนแล้วก็ผู้อื่นเดือดร้อนจากนั้นมันก็ไม่ใช่ร้อนแต่กายมันร้อนใจด้วยจะเอเมื่อแตกกายทำลายขันไปแล้วกรรมชั่วของตนได้กระทามันก็ พอมามีบทบาทล็อกใจของพวกเรานั่นน่ะเหมือนกับดินประสิวน่ะส่งลูกกุศลไปทางวันบาปกรรมมันเยอะมันก็ส่งไปได้ไกลถ้าบุญกุศลเออมากมันก็ส่งได้ไกลอีกเหมือนกันเี่ยถ้าวันเราบาปแลกุศลมากมันก็ส่งนรกหลุมไหนอะหลุมลึกที่สุดเหมันงั้นเะ อ, อืมมันส่งไปแต่ถ้าว่าเรา ภาวานาจิตใจของเราในไถ่ทานรักษาศีลภาวานาเป็นบุญกุศลมากมายมันก็เป็นดินประสิวหรือบุญกุศลในเป็นพลังก็ส่งจิตส่งใจของเราไปให้สูงส่งที่สุดไปเกิดเป็นพรมไปอยู่พรมชั้นต่างๆจากนั้นก็นสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่เป็นบาบปเสียจิต ไม่พิกงพิการ้วยอวัยวะวันนั้นพวกเราควรจะทำควรจะสร้างคุณงามความดีอย่าไปทำในสิ่งที่มันเป็นหายนะเข้ามาสู่พวกเราชีวิตของพวกเราจะให้ใครรับผิดชอบยิ่งกว่าตัวของพวกเรานั้นมันไม่ถูกนะชีวิตของพวกเราเราต้องรับผิดชอบ เราต้องดูแลเราต้องรับผิดชอบอันไหนดีอันไหนชั่วอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำอันไหนควรคิดไม่ควรคิดอันไหนควรพูดไม่ควรพูดนั่นแหละให้กันกรองให้พิจารณาให้ดีชีวิตของเราเราเป็นผู้รับผิดชอบอย่าไปเอาชีวิตของเราทั้งชีวิตไปปูยี่ปูยำอืมถ้าศึกเป็นกระวาดไปกินเหล้าเมายาอาบายมุกทุกอย่างสิ่งที่ ตัวยชาเสียหายเลียวซามเอาไปหมกหุ่นไปหมดอันนั้นแปลว่าใช้ชีวิตโดยไม่รับผิดชอบตัวเองไม่รับผิดชอบแล้วคนอื่นเขาจะรับผิดชอบให้เราได้อย่างไรเราจะประชดประชันไข่ขนาดตัวเองแท้ๆยังไม่รับผิดชอบในชีวิตของตัวเองสิ่งเหล่านี้พวกเราควรจะคิดให้ดี ดูให้ดีมองให้ดีถ้าว่าจิตใจเป็นธรรมจิตใจมีเหตุมีผลจิตใจมีธรรมะแล้วจะมองเห็นได้ชัดในสิ่งเหล่านั้นถ้าหาว่าจิตใจของเรามืดมนอนทการด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วจะมองไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของธรรมดาสิ่งนั้นถูกต้องแล้วแต่คนอื่นที่เขามองเห็นเรานั้นขยะขยะงกระอากระอวนเต็มทนแต่ตัวเองนะั้นมองไม่รู้มองไม่เห็น ในการประพฤติในการปฏิบัติในการทำตนในการทำตัวของของเราในการเป็นอยู่ของเราแต่ผู้ที่จิตใจสูงส่งและจิตใจเป็นกลางมองเห็นเราแล้วน่าทุเลตไม่น่าจะทำอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราได้เกิดมาพบบัณฑิตนักปราชญ์คือพบพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจา้า ควรจะสำเนียกสำนึกทบทวนพิจารณาให้ดีอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องควรจะทำในสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวิ น, นัยมีเหตุและผลเหตุและผลนั่นแหละคือธรรมธรรมคือความถูกต้องธรรมคือเหตุผล ท่านทำไม่ถูกต้องแปลว่าอาผิดเหตุและผลไม่ใช่ทำทำถูกต้องนั่นคืออะไรคำว่าถูกต้องนั่นคืออะไรคาว่าถูกต้องคือไม่ผิดพลาดคำว่าไม่ผิดพลาดนั่นคือเหมือนกับเราบวกลบคูณหารเเราจะเปรียบเทียบเหมือนกับบวกเลขก็เหมือนกัน เขาว่าเหตุผลหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอันนี้คือเหตุผลหลักเหตุผลคือความถูกต้องใครจะพูดไปยังไงยังไงจะแปลบาลีไปทางไหนจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามมันก็ต้องลงจุดนี้คือหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้สองบวกสองก็เป็นสี่สี่บวกสี่ก็เป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกไล่ไปอย่างนั้นเนี่ยเป็นเหตุผล เป็นขั้นเป็นตอนเป็นพื้นเป็นฐานไปอย่างนั้นอันนี้คือธรรมคือความถูกต้องถึงจะ ก, กิเลสจะเบีย น, นเบนไปทางไหนก็ตามเอยนไปทางไหนก็ตามอันนั้นคือกิเลสต่างหาคืออธรรมไม่ใช่ธรรมถ้าธรรมแล้วถูกต้องอย่างนี้เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านถึงจะพูดจะคิดจะทําอะไรก็ตาม ต้องคำหนึงหอกความถูกต้องนั้นคืออะไรอืพผะนั้นการกระทําให้มันถูกต้องนะคือเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นวิถีเราพุทธศาสนาท่านสอนให้เรา ท, ท, ทุกท่านเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมถ้าหากว่าเป็นสิ่งชั่วแล้วไม่ควรทําตายก็ยอมตาย ตายเพราะความดีแต่ทางโลกเขาไม่ว่าอย่างนั้นนะตายจริงๆมันงั้นเถอะแต่ในทางของพุทธศาสนาในทางของพระแล้วท่านให้เสียสละถึงขนาดนั้นเพราะเป็นแนวหน้าเนี่ยพอเราเป็นพระยกตัวอย่างให้ฟังพระในครั้งพระพุทธเจ้าของเราเกี่ยวพระติดสะติดสะมีหลายองค์นะสันนบุตรก็ติดสะเหมือนกันแต่ก็ติดสะที่ บินธบาตไม่พอฉันก็ติดสืกคำว่าติดะสะกสมานิยติดสะกนี่ก็มีอันนี้ก็เป็นพระเป็นพระติดสะองค์หนึ่งท่านบวชเข้ามาแล้วท่านก็ภาวนาของท่านอืมท่านได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีโยมอุปถาท่านก็ไปบินธบาติการคุ้นเคยไปบินธบาต ท, ที่บ้านของของเขาเป็นประจำ ไปฉันอาหารที่บ้านเขาเป็นประจําบางทีไปฉันที่อื่นบางทีก็ไปฉันที่บ้านเขาจนคุ้นเคยเป็นวิสาสะบ้านหลังนั้นเป็นในช่างเจรนัยเพชรเป็นช่างเจรนัยเพชรของพระเจ้าประเสนที่โกศลตอนนี้ท่านก็ไปฉันอาหารที่บ้านเขาเกือบจะว่าบ่อยครั้งบางทีก็ไปวินธบาทที่อื่นมากลับมาแวะที่ฉันที่นั่น ทั้งสองสามีพัญญาเขาก็ให้ความเคารพนับถืออย่างมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัญญาของเขาให้เคารพอย่างสุดๆเพราะว่าเป็นพระที่มีศีลษจารวัดสวยงามถ้าเป็นพระหันเนี่ยอการเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างของท่านเป็นพระที่น่าเรื่มใส่แต่วันหนึ่งในขณะที่ท่านนั่งรออยู่ที่ ที่จจฉันนั่นอ่ะสามีพัญญากำลังเริ่มทำอาหารคุกครักอยู่ในโรงครัวสามีก็กำลังทำเนื้ออะไรก็ไม่รู้นะที่ไปจา่จายจัดตลาดมาต่นี้คนของพญาประสินที่โกศลเขาเอาเพชรเม็ดหนึ่งมาเพชรเม็ดนั่นก็จะมีราคามากพอสมควรว่างั้นเถอะเขาก็เรียกในช่าง นี่เพชรของพระเจ้าปเสนขอให้เจียละในอย่างนั้นๆ น, นอย่างนั้นเขาอธิบายเสร็จแล้วแต่นายช่างก็ไปทำอาหารอยู่ในครัวมือยังเปื้อนเลือดอยู่ก็เอาก็เลยเอามื อ, กอเกาะเม็ดเม็ดนั้นรับรับเพชรเขาพอรับเพชรเสร็จแล้วก็มาวางไว้มีโซฟาตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าก็วางเพชรเม็ดหนึ่งลงในนั้นพระธีระก็นั่ง นั่งอยู่นั่งอยู่ีกตรงข้ามอีกข้างหนึ่งทตนี้ก็มีนกกระเรียนตัวหนึ่งนกกระเรียนเขาเลี้ยงไว้ในบ้านนะเดินจกจกเจ็บเจ็บเข้าไปในห้องไปไปที่นู่นที่นี่บ้างตอนนี้มันก็ไปไปเห็นเพชรเม็ดนั้นเ อ, อ่มันก็ดูแล้วมันก็มีเลือดติดอยู่ที่นี่พรเลือดในช่างแก้วเขาไปทําอาหารในครัวแล้วมารับเพชรก็ไปวางไว้ที่นั่นพอจากนั้นไงนกกระเรียนตัวนั้นมันแบบงับแก้วตัวนั้น งับเพชรนะมันถูกปิ่นเลือดแต่มัน ก, กนน็กลืนเข้าไปในท้องก็กลืนเข้าไปในท้องถึงพระเถระนั่งโอ้โหตายทําไงวะถ้าจะหาบอกว่าเพชรเม็ดนั้นนะ่ะนกกรเรียนกินนะอย่างเนี้ยนายช่างเขาก็จะต้องฆ่านกกรเรียนทันทีเพราะเพชรเพชดนั้นราคามมหาศาลแล้วจะทํำยังไงท่านก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะทํำยังไงผลที่สุด ในช่างเขาเข้ามาล้างมือเสร็จแล้วเขาเข้ามาก็ามาเอา้าพระคุณท่านเพชรเม็ดนี้ไปไหนท่านก็ไม่พูดเอา้าเพชรเม็ดนี้ไปไหนไม่พูดเอา้าท่านเอาแล้วเหรอเนี่ยท่านเอาเพชรผมใช่ไหมท่านก็ไม่พูดผลที่สุดในช่างเพชรโ ว, วยวายขึ้นมาบอกพัญยาผลเนี่ยสมณะองค์นี่ละขโมยเพชรของเราไป เรามาวางไว้ที่นี่แต่แท้ไม่มีใครเลยมแต่พระองค์นี้อยู่องค์เดียวนะไม่ขโมยไปพันยาบอกว่าไม่ใช่อย่าไปปักปัามเลยพราะคุณท่านเราจะเห็นแต่ท่านมาแต่ที่แรกแล้วท่านก็เป็นผู้มีมารยาทที่ดีเออท่านจะทําอย่างนั้นไม่ได้พัญญาห้ามขนาดไหนก็ยอมไม่ยอมฟังบอกว่าพวกเรายอมเป็นทาสของพญาปเสน ด, ดีกว่าไม่จําเป็นจะต้องไปบีบคั้นให้ท่านรับ ว่าท่านเป็นคนเอาฉันเชื่อท่านว่าท่านไม่เอาแน่ๆท่นีน้ฝ่ายผู้ชายไม่ยอมไม่ได้พระเอาแน่ๆไม่มีใครอยู่ที่นี่เราขอวางไว้ที่นี่มจะไปไหนวะเพชรไม่ใช่มีขานี่ยวะฝนที่สุดก็พัญญาพูดไม่ฟังพัญยาห้ามยังไงก็ไม่ฟังบอกว่าเราเป็นยอมเป็นทาารับใช้พญาประสเสนทั้งครอบครัวจะดีกว่าที่จะไปรังแกพระธีระองค์นี้ ยังเก็ไม่ยอมโผลิตสูตรสามีก็จับเอาเชือกมาเส้นหนึ่งมาก็ขันหัวพระอะไรอย่งั้นเถอะจับขันแบบขันสนอเนี่ะพอใส่เข้าไปก็เอาไม้สอดเข้าไปข้างหนึหมุนหมุนแบบขันสนอแบบช่างทาสีเขาขันไม้ไผ่ขึ้นทาสีอย่างงั้นน่ะอืขันขันขันขันจะได้พระธีระกอดสร้างควาไม่รู้จะทํายังไงข้านอนให้ขันแล้ว ตรงการขันเนี่ยท่านก็ไม่สู้ไปว่าอะไรแต่ก็พิจารณาร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเราตายก็ตายทําไงทีนี้ก็เลือดแตกหัวศีรษะมันก็แตกเพราขันเข้าแรงเนยพอแตกเข้าไปนกกระเรียนมันก็วิ่งเข้ามาเข้ามามันมันได้ถูกกรีนเลือดใช่ไหมมันก็มามันจะมาจิกกินเลือดช่างเพชรเนี่ยมันก็โมโหไยช่างแก้วเนี่ยอช่างเจรนายเนี่ยมันก็โมโหไอนกกเรียน ตีนเตะทั้งแรงแล้วงานใส่ปังนกกระเรียนนกกระเรียนกระเด็นถูกขฝาเลยอ่าตายนกกระเรียนนกกระเรียนตายวันนั้นเตะทั้งแรงพาเทระก็เลยบอกว่าเอ้ยยมเดี h, เ๋ยวเดี๋ยวเผาๆสักหน่อยสินกกระเรียนมันตายหรือยังอ่าอันนั้นก็โมโหขึ้นมาอีกเฮ้ไม่ต้องดูนกกระเรียนเดี๋ยวมันจะตายเหมือนกันนั่นแหละกับนกกระเรียนนั่นไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูสักก่อนว่านกกระเรียนตายหรือเปล่า ใครๆออกซี่วเดี๋ยวาตมามีคําพูดอยู่ก็ <ๆ S 2> เลยพายพายไปดูซี่วะนกกเรียนตายหรือเปล่าเข <ๆๆ S 2> าก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> บอกโอ้ตายท่านก็เลยบอกความจริงเข้ามาบอกว่า<ม> <ๆ S 2> นี่นะโยมโยมไปทําอาหารนะ่ะมือเปื้อนเลือดแล้วไปรับเพชรจากคนที่มาส่งเพชร <ๆ S 2> เพชเม็ดนั้นเอาวางไว้ที่นั่นนกกระเรียนตัวนี้นะ่ะกินกินเพชรเม็ดนี้แต่ถ้าหากว่าโยมนะ นกกรเรียนตัวนี้ยังไม่ตายอัตมาพูดไม่ได้อัตมาจะไม่พูดชีวิตของเขากับชีวิตของเรามีคุณค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นอัตมาจะไม่พูดเพราะนั้นเดี๋ยวนี้นกกระเรียนตายแล้วอ่าสําแหลผ่าดูได้เม็ดอยู่ในท้องมันนั่นแหละทีนี้นายช่างเจรานายเพชรก็รีบผ่าท้องมันทันทีออพอผ่าท้องเสร็จแล้วเลยเห็น่ะไรจะนี้เห็นเพชรเม็ดหนึ่งอยู่ยข้างใน ท่านก็โอ้ขอโทษขอก่รใหญ่เลยเนี่ยขอพระคุณเจ้าจงให้เอาโหสิแก่ผมด้วยท่านก็เออเอาเรายินดีให้เอ้โหสิแกนันในช่างและครอบครัวแล้วก็ขอให้พระคุณเจ้ามาบินธบาตมาฉันที่บ้านของผมเหมือนเดิมแล้วผมจะเป็นผู้ประทับประทัดท่านบอกว่าอันนั้นเราไม่รับเราเห็นโทษแล้วเราเห็นโทษในการเข้ามาในชายคาของบ้าน ของชุมชนมีแต่โทษตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะบินทบาทอาศัยปีแข่งของเราเท่านั้นเราจะไม่เข้าไปชายคาของผู้อื่นอีกตนตลอดชีวิตอันนี้คือพระละหันนะท่านไม่ได้อาคาดแก้ไขแต่ว่าท่านเห็นโทษเ อ, อเห็นโทษในการเข้าไปในชายคาของชาวบ้านเออมันเห็นโทษคือพอเห็นโทษแล้วยอมแล้วเออมันเป็นเรื่องคาดไม่ถึงเออ แต่นั้นท่านก็เลยไม่เข้าไปในหมู่บ้านอีกเลยบินทบาทเลี้ยงชีพตามอัตภาพด้วยปีแข่งของท่านเองจากนั้นมาท่านก็ไม่นานก็ปรินิพานเพราะว่าการเจ็บบอบช้าที่เอาเอ า, เอาสนอะเหล็กเอาเชือกขันศีรษะของท่านทันนี้พระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อท่านนิพานไปแล้วก็มีคนถามว่า ท่านพะระเถระท่านไปยังไงพระพุทธองค์มอกาท่านนิพพานแล้วติดสระคนสามคติของคนสี่คนไม่เหมือนกันคือพะระเถระเมื่อแตกกายทำลายขันแล้วไปนิพพานส่วนพันยาช่างแก้วตายแล้วไปสู่สวรรค์ส่วนช่างแก้วตายแล้วตกนรกแต่นกกรเรียนที่ตายไปแล้วเน่เข้ามาเกิดมาเกิดเป็น ลูกของนายช่างแก้วพอพระเถระออกไปแล้วเขาก็คงจะตั้งคันนะมังงันตั้งคันมีลูกขึ้นมาเกิดนกกรเรียนมัมาเกิดมาเกิดเป็นลูกของนายช่างแก้วที่เตะตายนั่นแหล ะ, ะแล้วคติของสี่คนสี่สี่อย่างไม่เหมือนกันแต่คนละทิฏทางกันนั่นแหละส่วนปัญญาของนายช่างแก้วไปสู่สวรรค์เพราะเขามีเมตตามีศรัทธา ม, มีความเชื่อในพระเถระอืมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ต่อมานายช่างแก้วก็เห็นโทษในการกระทําของตนเองแต่ถึงยังไงก็ได้ละลาบ ล, ล, ล, ละล่วงได้ทําเกินจนเกินในจิตในช่วงนั้นเป็นบาปอากุศลอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องไปสู่บาปกรรมซะก่อนจนกว่าบาปกรรมตัว น, นั้นจะให้ผลเต็มที่แล้วนะ่ะเขาจึงจะอได้มา สวยบุญของเขาที่ได้ทําบุญกับท่านหรือว่าเห็นโทษในการกระทําของตอนเองต่อไปอันนี้คือสรุปแล้วอย่างที่กล่าวเบื้องต้นท่านที่เป็นพระหันถึงจะตายจะไม่ยอมทําความชั่วความชั่วก็คือความชั่วคือถ้าไม่ยอมฆ่าสัตว์เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านถึงจะพูดจะคิดจะทําอะไรก็ตาม ต้องคำหนึ่งหอกความถูกต้องนั้นคืออะไรพรนั้นการกระทําให้มันถูกต้องนะคือเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นวิถน¶เราพุทธศาสนาท่านสอนให้เรา ท, ทุกท่านเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมถ้าหากว่าเป็นสิ่งชั่วแล้วไม่ควรทําตายก็ยอมตาย